Book 2ูห้าเปเกประเทศและภาษาชาร์ลีส์อิร์คั o บุสจอห์นมาจากลอนดนจออรอลดน ล o n ด o นอยู่ในประเทศอังกฤษลอ n ดอนัสีระดิจิโอโยเยเบรตานิโยยะเขาพูดภาษาอังกฤษยบอกมารียมาจากมดริดม r a อม ม a ดริดอยู่ในประเทศสเปนมาร์เดรดัสเอร์อิสปาเนียเธอพูดภาษาสเปนเย่กาอิกปีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลินปีเตอสอมาร์ออบล เบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมันเบอร์ลินัสอิระโวกิติ j ยยมคุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหมอริุสบุคัลเบตอโวกุชเกมลอนดอนเป็นเมืองหลวงลอนด onas yra s o s, ok <S t เ n เนียมมาดริด และเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวงม a d r ร d a สอ r b e r บอ n a ล yra t ซ i p เ a t s o s t ส n ินเมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง s ซ s t ิ n ิสอิร์เดดเดลิสอ r รุกช์มิงโกประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรป p r a ja. นซูซีเออิร์เอูโรปั ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแ อ, ปอฟริกาเอジปต์ซีราอาฟริโกยประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชียญีย่ปุ่นีอาอีราอาซียประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือแคนาดาอีราเชียริสอเมริโกย ประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลางปานประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใตา้บ ja. รัสิเลียคารุณาไปที่ w w w b o o k t